มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นบุญน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อบูชายันเพื่อเป็นทานและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นทานและเพื่อสืบพันุ์เพื่อเป็นทานและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอบัตสังคาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความหายโรคภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสุขเพื่อเป็นทานและเพื่อปัญญาน้ําอาศจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษ